เรื่องพระมหาโกธิตะว่าด้วยคาถาของพระมหาโกธิตะเถระได้ยินว่าท่านพระมหาโกธิตะได้ภาสิทคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทําความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกําจัดบาปประทำทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นอันนี้ก็วายโยนิโสอันนี้ไงใบไม้ร่วงนี่เราก็เห็นเยอะแล้วนะ ก็แต่ว่าต้องมีคุณธรรมนะจึงจะกาจัดกิเลสเหมือนใบไม้ร่วงหนึ่งก็คือบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกาจัดบาปประทรมทั้งหลายบุคคลผู้สงบอันนี้หมายเน้นที่กายนะสงบกายงดเว้นจากการทำความชั่วก็คือสุจริตเนี่ยนะมโนสุจริตพูดด้วยปัญญาก็ ว่าจีสุดจริตไม่ฟงสั้นก็คือไม่มีนิวรณ์ห้าท่นก็ย่อมกําจัดบาปประธรรมเหมือนลมพัดใบไม้ร่วงเอ่อใบ ไ, ไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นคําสั้นๆแต่ว่าพูดถึงว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้กําจัดสมุทัยสัตว์เนี่ยนะกล่าวถึงคุณของมรรคสัตว์เพื่อกําจัดสมุทัยสัตว์นั่นเองเพราะคาถาของท่านเน้นคําพูดประเภทนิสรณะเนะนี่ยนะคำพูดประเภทนิสรณะนะ ต้องการสลัดออกว่าถ้ามีคุณธรรมอย่างนี้สลัดออกจากทุกได้นะแต่ว่าจะสลัดออกจากทุกได้ก็ต้องสลัดออกจากอะไรก็สลัดออกจากสมุทัยเนี่ยนะก็ละอาสาธาได้ถ้ามีคุณธรรมคือความสดจริตทางกายวาจาใจแล้วก็นิวนไม่กลุ่มร่มเนี่ยก็สา ม, มารถที่กำจัดฉันทราคะทั้งมวลได้เ <c oughs> จริญพที่ที่ท่านอธิบายเมื่ อ, อ, อกี้นี้นะครับก็เป็น เป็นลักษณะที่ที่อธิบายไว้ในเนติปกรณ์ในในเทสน า, าระเ จ, ะจนผ่านนั่นเองคือพยายามจะขยายตามแนวเนติปกรณ์ถ้าหากว่าทั้งเนติปกรณ์ด้วยอัตถกาถาด้วยนั่นเองอย่างเช่นบอกผู้คนผู้สงบงดเว้นจากการทําความชั่วผู้ ด, ด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านคําว่าผู้สงบก็คือกายสวดจริตนั่นเองงดเว้นจากการทําชั่วทาง งดเว้นจากการทําความชั่วก็คือมโนสุจริตพูดด้วยปัญญาก็คือวจีสุจริตไม่ฟุ้งซ่านก็คือละนิวรได้ทีนี้คุณธรรมที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือมรรคสัตว์นั่นเองคือมรรคสัตว์ทีนี้อบรมมรรคเหล่านั้นจุดประสงค์อะไรย่อมกําจัดบาปประธรรมทั้งหลายกําจัดบาปประธรรมทั้งหลายเสร็จแล้วก็อุปมาให้เห็นหน่อยก็คือเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นเช่นั้น ใบไม้นะใบที่มันติดอยู่กับขั้วได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะยางใช่ไหมเพราะยางเหนียวที่ที่มันเกาะติดเอาไว้เมื่อใดที่ใบไมนะ้นัน่ะมันเหลืองถ้ามีลมพัดมามันก็จะร่วงเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันมันขาดไปฉันใดผู้ที่มีคุณธรรมคือสุดจริตสามไม่ฟุ้งซ่านด้วยนิวรณ์เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นฐานอย่างดีแห่งอริยมรรค ก็คือผู้ที่มีกายาสุจริตสามก็คือศีลไม่ฟุ้งซ่านก็คือสมาธิเมื่อมีคุณธรรมคือศีลดีจิตดีก็อารยมรรคก็จะเกิดได้โดยที่ผ่านวิปัสสนาเนี่ยนะก็เลยสามารถที่กำจัดบาปทั้งหลายได้เหมือนกับลมที่พัดใบไม้ร่วง ถ้าเราศึกษาเทระคถาเนี่ยสิ่งที่จะเห็นชัดคือการภาคเพียรในการอบรมมัคคสัตย์เพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยสันเสริญเรื่องความเพียรสรนเสริญเรื่องความไม่ฟุ้งซ่านสรนเสริญปัญญาคือสรรเสริญมัคคสัตย์ที่เป็นคุณธรรมที่จะออกจากทุกข์นะเน้นเน้นการสรรเสริญคุณธรรมเหล่านั้นเพราะท่านออกจากวัตฏทุกข์ด้วยด้วยมัคคสัตย์คําของท่านเหล่านั้นเนี่ยจะสันเสริญเรื่องการอบรมมัคเนี่ยมาก เพราะว่าพระพุทธศาสนาจริงๆนะศาสนาก็เป็นชื่อของไตรสิกขาอยู่แล้วก็คือหมายถึงมรรคนั่นเอง <S <S ในอัตถกถามหากริตเทระคถาก็ย้อนประวัติเหตุการณ์ของท่านว่าในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะแม้พระเถระนี้ก็บังเกิดในตระกูลที่มีโพคะมาก ในพระนครชื่อว่าหังสาวดีเจริญวัยเติบโตแล้วก็สืบทอดสมบัติโดยที่มารดาบิดาล่วงลับไปอยู่ครอบครองเรือนวันหนึ่งเห็นชาวเมืองหงสาวดีเนี่ยถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นมีจิตน้อมโน้มโอนไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เดินไปในเวลาที่ทรงแสดงพระธรรมเนี่ยนะคือเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม บุตรเศรษฐีคนนี้เนี่ยนะเห็นคนอื่นเข้าไปก็เดินไปพร้อมกับมหาชนอันมหาชนที่เคารพหรือผู้ที่น้อ ม, นอมโน้มโอนไปหาพระตนไตรก็คือผู้ที่นับถือพระตนตไัยว่าเป็นสารณะนะก็คือไปหาพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้านำทางการฟังธรรมจริงๆก็คือการให้พระตนไตรชี้นำทาง แต่ทางในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทางเท้านะแต่หมายถึงทางคือทางกายทางวาจาและทางใจอะที่เป็นคุณธรรมที่จะออกจากวัตถุก์นี่ก็ไปในเวลาที่เห็นภาษาสดาเนี่ยทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตทคคะเลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาทั้งหลายเห็นแล้วก็จิตก็พองใสใช่ไหมสัพทินรีก็มีกำลังว่าได้ยินว่าภิกษุนี้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายพูดถึงปฏิสัมพิธา ในศาสนานี้ไหนหนอแม้เราก็พึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมพิธายานเหมือนภิกษุนี้เห็นแล้วมีใจเลื่อมใสามากนะเนาะว่าเราพึงมีคุณธรรมเช่นนั้นบ้างมั้งในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งข้างหน้านะในเวลาที่พระศาสดาเนี่ยจบพระธรรมเทศนาก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทูนาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับพิษาของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้ภาษาสดาก็ทรงรับนิมนต์แล้วนะก็คือถึงใจรักแบบนั้นเนี่ยนะพอมีศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะเป็นเอตทัคคะเช่นนั้นก็ทําไงก็ตั้งใจอยากจะเป็นอย่างนั้นก็คิดหาเหตุที่จะทําให้เป็นเช่นนั้นนะเหตุที่จะช่วยทําให้สําเร็จสมความปรารถนาก็คืออะไร ก็คือทานศีลสุตะจาระค้าปัญญานะศรัทธาศีลสุตะจาระค้าปัญญาเป็นคุณธรรมที่จะทําให้สําเร็จสมความปรารถนาทีนี้อลักษณะคุณธรรมของผู้มีศรัทธาก็ไม่ใช่ว่าเลื่อมใสยอยู่อย่างเดียวใช่ไหมอ่า น, นะเพราะผู้มีศรัทธาก็น้อมใจเพื่อที่จะให้ทานเป็นต้นนั่นเองอันอันแรกของเขาที่น้อมชัดเจนเลยก็คือน้อมไปในทานก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันเขาถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วก็กระทำประทักษิณไปยังเรือนของตนประดับตกแต่งที่สำหรับนั่งของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จัดแจงขาชนิยะโพชนิยอาหารอันประนีตอยู่ตลอดคืนยันรุ่งโอ้เอาจริงเอาจังมากนะทำบุญเนะี่ยก็พระพุทธเจ้าองค์นี้มีปกติภิกษุติดตามแสนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะต้องจะต้องเตรียมขนาดไหนถ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีจริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าจะเลี้ยงได้ทั้งหมดขนาดนี้ ครันรัติการนั้นผ่านพ้นไปก็อังคาดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารให้สเสวยโภชนะแห่งข้าวสาลีอันหอมละมุนมีสูปะและโภชนะพยัญชนะหลากรถมีข้าวยาคูและของเคี้ยวล้าอย่างเป็นบริวารในเวลาเสร็จพัฒกิจแล้วก็คิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากเนาะก็การถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาตาแหน่งนั้นะ ไม่สมควรแก่เราเลยเราจะถวายทานตลอดเจวันโดยลำดับแล้วก็ตั้งความปรารถนาคือรู้เลยนะสิ่งที่ตัวเองต้องการนี่ยิ่งใหญ่มากให้ทานครั้งเดียวมันไม่คู่ควรที่จะได้นะเลยทำบุญอยู่เจวันเขาถวายมหาทานอยู่ตลอดเจวันโดยทำนองนั้นนั่นแหละนะก็คือวันเจดวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเตรียมแต่เรื่องทานอย่างเดียวนะเลี้ยงพระสงฆ์เนี่ยเป็นแสนรูปอะ่ะเพราะฉะนั้นกลางคืนก็โหสั่งคนสักกี่คนเนี่ยนะทครัวนะ งผู้การก็อาจจะเห็นชัดนะว่าถ้าเลี้ยงแขกเยอะๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะพวกสายครัวเนี่ยนะพวกที่ดูแลครัวจะขนาดไหนเนี่ ย, พ เ, ยเพราะฉะนั้นไอ้ธรรบุญประเภทนี้เขาก็ศรัทธ า, าก็จัดแจงในเรื่องทางนกะุศลเหล่านี้ทั้งหมดคือเขาทำอย่างนี้เขาไม่ได้เครียดนะเขามีความสุขที่ได้จัดแจงสังเกตหลายๆท่านที่มีที่มีศรัทธาที่จะให้ทานนะ เขาไม่ได้เดือดร้อนหลยเวลาเขาจัดแจงนะเน็ตเหนื่อยเหงื่อชุ่มแต่เขาก็มีความสุขกับการจัดของเขานั่นแหละผู้ที่ศรัทธาในฐานเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นในเวลาเสร็จพัฒกิจก็สั่งให้คนเนี่ยเปิดคลังผ้าวางผ้าเนื้อละเอียดพอทาจีวรอันมีราคาสูงสุดไว้ที่บาทมูลของพระพุทธเจ้าและถวายไตรจีวรแด่ภิกษุสงแสนรูปผ้าอย่างดีถวายพระพุทธเจ้าไตรจีวรก็คือ สบงสังาติแล้วก็ตัวตั ว, ตวจีวรน่ะนะสามอย่างเนี่ยแกษิแสนรูปเลยเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับย้อนหลังจากนี้ไปเจ็ดวันพระองค์เนี่ยทรงตั้งภิกษุรูปใดไว้ในตำแหน่งเอตทัคะแม้ข้าพระองค์ก็พึงบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการแล้วพึงเป็นผู้เลิศกว่าพิสูจทั้งหลาย ูบรรลุปฏิสัมพิทายานเถิดดังนี้แล้วก็มอบลงแทบบาทมูลของภาษาสดากระทาความปรารถนาแล้วนะก็คือมีจิตเลื่อมสายมากนะถามว่าทำไมท่านจึงเลื่อมสายแบบนั้นนะ่ะคือท่านฟังพระพิสุที่เลิดทางเอตทักคะอยู่แล้วว่าพระพิสุที่เลิดเอตทักคะเนี่ยแสดงทำยังไงมีความสามารถยังไง น, นะบริษัทยกย่องยังไงพระพุทธเจ้า แสดงทำยกย่องพระพิโุรูปนั้นยังไงท่านมีความรู้ความสามารถขนาดไหนพอฟังแล้วก็เลื่อมใสเลยนะแสดงว่าพราหมณ์คนนี้เป็นคนที่มีปัญญามากอยู่แล้วเป็นผู้ที่ฝักใยในเรื่องปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ที่มีความฝักใยในเรื่องปัญญาพอฟังถึงคุณของผู้มีปัญญาก็ก็อยากเป็นเช่นนั้นบ้างว่างั้นเถอะขอเราพึงเป็นเช่นนั้นบ้างเลยนะพระศาสดาทรงเห็นความสําเร็จแห่งความปรารถนาของเขาแล้วก็ทรงพยากรณ์ว่า ในอนาคตการในที่สุดแห่งแสนกับนับแต่กับนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมจากอุบัติขึ้นในโลกความปรารถนาของท่านจักสําเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยกคัมภีอปทานที่เป็นกราคาถาประพันธ์มากล่าวว่านับจากพัทธกับนี้ไปแสนกับทําไมกับนี้เขาจึงเรียกว่าพัทธกับนั่นไ ก็เพราะกับเป็นกับที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นห้าพระองค์จึงเรียกมันจากนับตั้งแต่พัทธกับนี้ถอยหลังไปนะเขจะสับเนี่ยบอกรหัสว่ากับเนี่ยคือกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์ถอยหลังจากกับที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์เนี่ยถอยหลังไปหนึ่งแสกับพระพิชิตมานทรงพระนามว่าปทุมุตระนะทุกคำนะถ้าเราเพ่งเข้าใจอัดทั้งหมดเลยนะจะทราบซึ้งมากว่าพระพิชิตมาร พิชิตคืออะไรชนะใช่ไหมก็คือชนะมารชนะกิเลสมารขันธมารมั จ, จุมารอันนะชนะมารทุกชนิดเนี่ยทรงพาาระนามว่าปทุมมุตระผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงก็โลกวิทูนะพุทธคุณบทว่าโลกวิทูโลกสามก็มาเป็นมุนีมุนีก็คือเป็นมุนีมุนีเนี่ยนนะมุนีก็คือผู้มียานนะนะมุนีคืออะไร ผู้ที่มุนีทางกายมุนีทางวาจาและมุนีทางใจอ่ะเป็นผู้ที่ทําปริญญาในทวารกายวาจาใจามาอย่างเรียบร้อย น, นะกายยะสังขารก็ น, นะจะตุทะฌานใช่ไหมที่จะระ ง, งับกายยะสังขารได้วจีสังขารระ ง, งับที่อะไรทุติยฌานเนี่ยบโนสังขารก็นี่แหละนิโรสมาบัตินะทีนี้ผู้ที่เป็นมุนีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ละกายวาจา มโนทุจริตบําเพ็ญสุจริตเอาสิ่งเหล่านี้มาทําปริญญาทั้งหมดเนี่ยนะอริยมรรคเนี่ยที่อาศัยการทําปริญญาเหล่าเนี้ตัดฉันทราคะได้หมดอจึงจะเรียกว่ามูนีนี่นะพระมูนีนะั้นมีจักสุก็จักสุห้าเนี่ะพุทธจักสุสมนตะจักสุญาณจักสุธรรมะจักสุเนี่ยมังสะจักสุเนี่ยพระองค์เนี่ ย, เ, ยเป็นผู้ที่มีจักสุห้าพระองค์เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะนะอิธทะตถาคโตโลก เกอุป hm, โนเนี่ยพระองค์เนี่ยเกิดข mm ึ hmm. ้นในโลกคําว่าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยแปลว่าเกิดขึ้นด้วยอรหัตตมักเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอรหัตตมักนั่นเองพระองค์เนี่ยตรัสสอนทรงแสดงให้สัตว์เนี่ยรู้ชัดถ้าบอกว่าพระองค์ตรัสสอนก็คือสอนประโยชน์3สอนประโยชน์โลกนี้สอนประโยชน์โลกหน้าแล้วก็สอนประโยชน์อย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็แสดงสัตว์ให้รู้ชัดให้รู้ชัดอะไรรู้ชัด เป็นชื่อของปัญญาใช่ไหก็ให้รู้ชัดอริยสัจนั่นเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะปัญญารู้ชัดกรรมและผลของกรรมรู้ชัดคุณของพระพุทธเจ้ารู้ชัดคุณของพระธรรมรู้ชัดคุณของพระสงฆ์เนี่ยนะรู้ชัดนี่มีโทษนี้ไม่มีโทษนี้ให้ผลเป็นสุขนี้ให้ผลเป็นทุกข์ะนะกรรมเนี่ยยังสัตให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงยังสรรพสัตว์ให้ข้ามวั ต, ตะสงสาร วัตตสงสารที่จะข้ามได้ก็อาศัยสะพานคืออริยมรรคนะจึงจะข้ามได้นะเพราะนั้นนะคำ ว, ว่ายังสัตว์ให้ข้ามก็คือแสดงอริยมรรคให้สัตว์ปฏิบัติตามอริยมรรคเขาเหล่านั้นจะข้ามพ้นจากวัตตะสงสารทรงฉลาดในเทศ น, น, น, นะฉลาดหรือไม่ฉลาดก็อย่างที่พู้การว่านะเรื่องอาญตนะเนี่ยเป็นเลืเลมม่อมๆมาอ่า น, นะก็ตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยเอามาแสดงกันได้ยังไงมากมายขนาดนั้นยังไง ลฉลาดในเทศนาขนาดไหนเรื่องขันนะก็เราก็บอกหนึ่งสองสามสีห้าเราจะพูดได้เท่านั้นแหละรูปคืออะไรยังมากก็กระจายได้เท่านั้นแนะแต่พระองค์ไม่เป็นะเป็นเล่มอ่ะนะเป็นเล่มหลายร้อยสูตรอ่ะไม่ใช่สองสูตรสามสูตรที่ไหนเนี่ยนะเป็นร้อยร้อยสูตรอ่ะคิดหนูฉลาดในเทสนาแล้วฉลาดในเทสนาวินัยเทเลสนาพระสูตรเทศนาพระอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยแล้วพระองค์ก็เป็นผู้เบิกบาน คำว่าเบิกบานแปลว่าพระองค์ไม่คนที่หลับเป็นยังไงหลับด้วยราคะหลับด้วยโทสะหลับด้วยโมหะเพราะพระองค์ไม่หลับด้วยราคาโทสะและโมหะพระองค์เบิกบานด้วยพยานทั้งหลายเนี่ยนะเช่นเบิกบานด้วยสัพพันยุติยานแล้วก็ยังสัตว์เหล่าอื่นให้เบิกบานด้วยเนี่ยนะทรงช่วยให้ประชาชนเนี่ยข้ามพ้นได้เป็นอันมาก ผู้ที่บรร ล, ลุก็หาประมาณไม่ได้นะช่วยให้ข้ามคําว่าข้ามในที่นี้ก็เป็นชื่อของอริยมรรคนั่นเองนะที่จะข้ามออกจากวัตฏะได้พระองค์นี้เป็นอันผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาตัวพระองค์เนี่ยมีกรุณาเปี่ยมบริบูรณ์ทีนี้ไอ้ความที่กรุณาของพระองค์บริบูรณ์เนี่ยพระองค์ก็ไปเที่ยวอนุเคราะห์สรรพสัตว์นนะอนุเคราะห์เขายัางไงอนุเคราะห์ด้วยการอย่างน้อยที่สุดให้เขาเห็นพระพุทธเจ้าบางทีนะสงเคราะห์สัตว์ด้วยการให้เขาไปเห็น ให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้เลื่อมสายเมื่อเขาเลื่อมสายเขาจะได้ไปสุขติหรือไปแสดงธรรมอยู่ใกล้ๆให้เขาได้ยินเสียงเขาตาแล้วจะได้ไปสุขติอย่างนี่ผมก็ทําถ้าเขาไปสุขติหลังจากเขาไปสุขติแล้วก็จะกลับมาฟังธรรมเขาจะได้บรรลุเนี่ย네ก็กลับหลายท่านเนี่ยใช้วิธีนี้หลายท่านเช่นกับกบเนี่ยนะมันดูกะเทพบุตรเนี่ยก็ไปแสดงธรรมให้กบได้ยินเสียงก่อนแล้วกบก็ตายตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรแล้วลงมาฟังก็บรรลุ กับอีกบางคนอย่างฉัตตะมานพเนี่ยก็ไปไปสอนให้เขาถึงไตรสารณาคมก่อนตายตายแล้วก็เกิดในสุขคติแล้วลงมาฟังธรรมจึงได้บรรลุมัตต ก, กุณเลีเทพบุตรไปให้เห็นหน้าเฉยเฉยเขาก็เห็นแล้วเขาก็เริ่อมสายตาแล้วไปสุขคติแล้วลงมาฟังธรรมแล้วจึงได้บรรลุเพรา ะ, ะนนอนุเคราะห์แม้กระทั่งตั้งแต่ระดับนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะทุกวิธีที่จะช่วยสัตว์ได้เนี่ยผมคุณบุญชูก็ผมก็ลงมาฟังท่านได้เนี่ย ท่านไปแสดงที่ไหนผมว่ลงหมดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าถ้าอยู่ที่เมืองอาจจะคํานี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อนะนี้กันที่ป่ายังตามมานะก็เป็นไปได้มาไกลมากนะมาไกลกับเพื่อนเลยนะมาหลายเป็นพันมาอ่ะพระองค์ก็แสวงหาประโยชน์ให้สัพพสัตก็สัพพสัตถนะที่ถึงให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยถามว่าสัตว์จะได้ประโยชน์ขนาดไหนใช่ไหมผู้ที่ให้ทานในพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บุญหาประมาณนับไม่ได้ แต่ถ้าชีวิตเขายังอยู่ในวัตตะ <c oughs> เขาไม่อดอยากในเรื่องมหาพูดเหมือนกันเถอะไม่อดอยากในเรื่องอาหารในเรื่องที่อยู่อาศัยในเรื่องอะไรนะถ้าเขาให้ทานกับพระพุทธเจ้าถ้าเขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจะได้ประโยชน์ยังไงต่อไปก็จะได้รับอนุเคราะห์เพราะพระพุทธเจ้าจะชี้แจงในเรื่องประโยชน์ให้เขาพระองค์เนี่ยสแสวงหาคือทํายังไงเขาจะให้ทานทยังไงเขาจะรักษาศีลทํำยังไงเขาจึงจะถึงไตรสารณคมเนี่ยนะทายังไงเขาจะได้ฟังธรรม ทำยังไงเขาจะได้อบรมสมถะวิปัสนาเนี่ยจนถึงสามารถบรรลุมรรคผลอันพระองค์เนี่ยสแสวงหาประโยชน์ให้แก่เขาทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งมีอยู่สูตรหนึ่งพองค์บอกว่าเราไม่ได้สอนทำเพื่อกําจัดอาสวะในอนาคตอย่างเดียวปัจจุบันด้วยแต่ก็ไม่ใช่สอนกําจัดอาสวะปัจจุบันอย่างเดียว กำจัดอาสวะในอนาคตด้วยอั้นพระ อ, องคเล็งถึงชีวิตไม่ได้มองแต่ชาตินี้มองชาติหน้าแต่ก็ไม่ใช่อู๋เอาแต่ชาติหน้าจนลืมชาตินี้ทิ้งชาตินี้ไปหมดไม่ใช่เนี่นะอันพพระ อ, องค์แล้วก็แล้วก็ไม่ได้สอนให้สัตว์เนี่ยติดข้องอยู่ในภพนะสอนให้ออกจากภพทั้งปวงนะสอนให้พ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็ไอ้ถ้าเป็นแบบทั่วๆไปนะฟังแบบสอนให้ออกจากภพเนะี่ยฟังน่าออก แต่บอกให้ออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ชักไม่ค่อยอยากออกแล้วนะให้ออกจากพระพุทธเจ้ให้กลัวเลยนะเพราะว่ามีตั้งหลายอย่างที่ตัวเองชอบใช่ไหมแล้วสอนให้ออกเนี่ยนะคืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าจะสอนให้เขามีคุณธรรมก่อนนะไม่ใช่สอนให้เขาออกเลยไปสอนให้เขาให้ทานสอนให้เขารักษาศีลให้ถึงไตรสารณคมให้บําเพ็ญคุณงามความดีเนี่ย อย่าคนที่จะออกจากมหาพูดธคือคนที่เปี่ยมด้วยมหาพูดธนะเป็นคนที่ไม่ใช่อดอยากในมหาพูดธเลยนะ ค, คือคนที่ออกจากมหาพูดธถามว่าคนบรรลุนะเป็นคนฐานะชั้นไหนเป็นส่วนมากเนี่ยะเป็นคนที่เบื่อหนายมหาพูดธเต็มทีแล้วเบื่อนายเพราะการรักษามหาพูทธเนี่ยนะ ก็ทําไมสัตว์ในอบายทุกข์มากก็น่าจะสอนให้มันบรรลุได้ใช่ไหมไม่ใช่แกพวกเทวดาที่เปี่ยมด้วยความสุขพวกพรหมทั้งหลายกลุ่มนั้นกลับบรรลุออกนั่นจึงสอนให้คนที่เปี่ยมด้วยมหาพูดออกจากมหาพูดนัะนะก็อย่างสอนเรื่องสวรรค์ก็คือสอนให้เขาบอกแหมมหาพูดเน้นตรงนั้นหน้าเพลิดเพลินดีก่อนในที่สุดก็ดึงเข้าออกจากมหาพูดทั้งมวลได้ใช่ไหมแต่วันพระสูตรเนี่ยไม่ใช่ขึ้นต้นด้วยว่านิเพทภาคิยะสอนให้เขาละเลยที่ไหน ที่มาของชาดกทั้งหลายแล่นี่นะก็เล่าเรื่องก่อนให้ฟังก่อนความสามารถของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสามารถยังเดรัจฉีที่เข้ามาเฝ้าให้ดำรงอยู่ในเบญจสินได้ทุกขดเดรัจฉีมาหาเรื่องนะพระองค์สอนให้ถึงไตสรสารณคมรักษาศีลหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงไม่มีความอากูนว่างศูนย์จากเดรัจฉี ไม่มีทิฏฐิอื่นเลยไม่มีมิจฉาทิฏฐินะในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าองค์นั้นอย่างน้อยที่สุดมีกรรมมาสกตาถึงไตรสรณาคมรักษาศีลหมดเนี่ยนะแล้วในศาสนาของพระองค์เนี่ยก็วิจิตด้วยพระอารหันต์ผู้คงที่มีความชำนิชำนานเนี่ยนะบางแห่งก็บอกว่าถ้าพระพุทธศาสนาขนาดนี้นะใครที่ยังเป็นเสขแล้วตายนะเข้าตาหนิกัน เพราะฉะนั้นผ้ า, ารหันนี่จึงมากเหลือเกินเนยนะผู้ตัดกิเลสตัดอาสวะตัดตันหาเนี่ยมีเยอะแล้วก็ผ้ า, ารหันเหล่านั้นก็เป็นผู้มีความชำนิชำนาญนคงที่ชำนิชำนานถามว่าชำนาญในอะไรก็ชำนาญในสมาบัติเป็นต้นนั่นเองพระมหามุนีพระองค์นั้นเนี่ยสูงประมาณ58สศอกมีพระชวีวันงดงามคล้ายทองคาล้าค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ3ามประการ ครั้งนั้นอายุของสัตว์ยืนประมาณแสนปีนนะอายุของสัตว์เนี่ยประมาณแสนปีนะพระชินสีพระองค์นั้นเมื่อดํารงพระชนอยู่ตลอดการประมาณเท่านั้นก็ได้ทรงยังประชาชนเป็นอันมากให้ข้ามพน้นวัฏตะสงสารไปได้นันก็จนแสนปีเนี่ยนะคือแต่ก่อนเราไม่ได้ศึกษาธรรมะนะฮะ เราก็สิ่งนี้เป็นไปได้หรือใช่ไหมแต่พอเราศึกษาธรรมะแล้วว่าเพราะว่าเรื่องรูปขันเนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดจากสมุฐานอุตตุหรือว่าอาหารหรือว่าจิตยอย่างเดียวมันตัวที่ทําให้มันยืนคือกรรมตัวกรรมนี่แหละทําให้มันยืนเป็นแสนปีได้ออืกรรมด้วยอาหารด้วยนอาหารก็แตกต่างกันอุตุก็แตกต่างกันเพราาะว่ ถ้าแสนปีนี้นอกจากกรรมซึ่งทําให้ยาวนานอย่างนั้นแล้วยังจะต้องมีอุดตุกที่เยี่ยมยอดแล้วก็อาหารที่ที่ทิพรานี่นะผมว่านะค น, นสมัยนั้นเนี่ยนะเขาอายุเป็นแสนปีนะปานาติบตัตเป็นยังไงเขารู้จักหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีการฆ่ากันนะไม่มีปานาติบตัตไม่มีอธินนาทานนะเพราะฉะนั้นเอ่อเอ่เอที่จิตเป็นสมุูรณฐานก็ต้องเยี่ยมยอดเลยนะ เยี่ยมเกถึงแสนปีได้คนใจดีมากเลยนะมีเมตตานะสมมุติว่าสังคมใดที่อายุยืนนะสังคมนั้นมีเมตตาต่อกันสูงมากเอื้ออาทรต่อกันมากเนะี่ยที่อย่างหลายๆเผ่าที่บอกว่าโหเผ่านั้นอายุเป็นร้อยๆปีนะเผ่านั้นใจดีมากไม่ฆ่าสัตว์ไม่นั่นนะมีเมตตาจึงจะเผ่านั้น น, นจึงอายุยืนเนะี่ยถ้าอายุขนาดนี้ถามว่าจิตใจเขาจะดีขนาดไหน น, น, นะก็ถ้าดูตามจักรวัติสูตรนะอากุศลกรรมบทไม่มี ไม่ล่วงอาคุลก็มบทกันเลยอุดมสมบูรณ์มม บ, รณบริบูรณ์<า>ทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยดำรงอยู่อย่างนั้นก็ช่วยประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมา ก, ก น, นะให้ข้ามพ้นกรร ม, มวัดวิปากวัดกิเลสวัดก็คือช่วยจัดการเหตุแห่งวัฏตะได้นะข้ามพ้นวัฏตะก็คือกรร ม, มวัดกิเลสวัดนั่นนะแล้วก็อะไรวิปากวัดใช่ไหมสังสาระก็คือขันอาตนาธาตุนั่นเองนะให้ออกจากเนี่ยกรรมวิบากกิเลส แต่สำคัญก็คือออกจากกิเลสเมื่อกิเลสสิ้นอะไรสิ้นกรรมก็สิ้นถ้ากรรมสิ้นวิบากก็เป็นอันสิ้นไปถ้าเวทตะสิ้นขันก็ไม่มีการสืบต่ออีกต่อไปนั่นนะครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้เรียนจบไตรเพศในพระนครหงสาวดีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงแล้วสดับพระธรรมเทศนาคําว่าจบไตรเพศนะถ้าถ้าเป็นสายอักษรศาสตรนะ์เนีเก่งกว่าดอกเตอร์สายอักษรศาสตร์สมัยนี้เก่งกว่ากันเยอะ ถามว่าอักษราศาสตร์สมัยนี้นะท่องท่องหนังสือได้กี่เล่มเอาแทบไม่ได้เลยแต่เขาเนี่ยคัมภีร์สายสายอักษรเนี่ยเขาจําหมดะไม่มีอะไรที่จําไม่ได้นาะความสามารถเขาขนาดนั้นถ้าอย่างในยุคนี้นะเขามอาีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นด็อกเตอร์ทางอักษราศาสตร์เนี่ยแต่งคัมภีร์ได้เล่มหนึ่งก็เล่มเล่มไม่ในหนาขนาดนี้อะไรแล้วก็นั่นก็เป็นด็อกเตอร์แล้วแต่ขอเขา ของท่านอยาว่าแต่งเลยท่านจำได้ทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่จำเรื่องเดียวด้วยเรื่องอื่นอื่นอีนอกไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนนะแต่ความสามารถขนาดนั้นมันก็เป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงแล้วก็สดับพระธรรมเทศนาคำนี้ยกย่องมากนะพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าโลกทั้งปวงนะเลิศกว่าด้วยอะไรพระรูปก็เลิศกว่า ชาติตระกูลก่อนนะชาติตระกูลก็เลิศกว่าโลกอยู่แล้วสองรูปร่างก็เลิศกว่าโลกอันนอันนี้พระมหาบริสลักษณะนะแล้วคุณธรรมภายในนะไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะยีริโอตปะศรัทธาวิริยะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะเนะี่ยคุณธรรมเหล่านี้ยบริบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่หมดนะนะเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงธรรมนะพระองค์แสดงธรรมแสดงธรรมก็คือ ที่ใดถ้าประกาศว่าแสดงธรรมนะธรรมะที่พระองค์แสดงก็ต้องไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจารีพร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนี่บอกว่าแสดงธรรมธรรมที่ว่าคืออะไรก็คือแสดงสติประธานแสดงสัมมาประธานแสดงอิธิบาทแสดงอินทรีย์แสดงพระแสดงโพชฌงแสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่ยแหละแต่ว่าโดยสรุปก็คือประกาศอริยสัจนั่นเองเพราะสติประธานถามว่าสติพิจารณาอะไร ก็พิจารณาทุกขัตว์เพื่ออะไรก็เพื่อละสมุทัยละแล้วประโยชน์อะไรก็แทงตลอดอสังขตะธาตุนั่นเองพระองค์ก็เป็นผู้ประกาศอริยสัจนั่นแหละครั้งนั้นพระธีระเจา้าพระธีระนะธีระก็คือผู้มีปัญญาพระองค์นั้นทรงตั้งสาวกผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธาฉลาดในอัดในธรรมในนิรุตและปฏิพาณในตาแหน่งเอตทคะคือแต่งตั้งพระพิสูรูปหนึ่ง ให้เป็นผู้เป็นเอตทักฆะในปฏิสัมพิทานะปฏิสัมพิทาก็แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องแตกชานในอัดในธรรมในนิรุตและปฏิพานเห็นไหมแตกแตกชันในอัดอัดคืออะไรก็คือผลทั้งหลายเช่นแตกชานในวิบากแตกชันในวิบากทั้งกุศลวิบากอกุศลวิบากฉลาดในธรรมธรรมคืออะไรก็คือฉลาดในกุศลอกุศลนั่นเองนไฉลาดในอัด อีกในหนึ่งก็คือฉลาดในทุกขสัจฉลาดในธรรมก็คือฉลาดในสมุทัยสัจฉลาดในอัดก็คือฉลาดในนิโรธสัจฉลาดในธรรมก็คือในมรคสัจถ้าอริยสัตสี่นะฉลาดในอัดคือทุกขสัจกับนิโรธสัจฉลาดในธรรมก็คือสมุทัยสัจกับมรคสัจฉลาดในการเอาอริยสัจมาแสดงเรียกว่านิโรติปฏิสัมพิทานะฉลาดในการประกาศอริยสัตนะ แล้วก็ฉลาดอรยิยสัจแบบผู้มีปฏิพานเชี่ยวชาญถามตอบแง่ไหนได้หมดนะนี่ไม่มีการติดขัดเลยนั้นก็มีปฏิพานนะปฏิสัมพิทาเพราะฉะนั้นพอฟังว่าโหมีพระพิสุทิแตกฉานในปฏิสัมพิทานะคือสามารถเอาอรยิยสัจมาแสดงมาเปิดเผยมาสอบถามคนคิดใคร่ครวญในเรื่องอรยิยสัจได้อย่างลึกซึ้งได้ฟังดังนั้นแล้วก็ชอบใจก็คือเลื่อมสายนะพองไซนั่นเอง จึงได้นิมนต์พระชินวรเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันถึงเจ็ดวันในการนั้นเรายัางพระพุทธเจ้าผู้เปรียบด้วยสาครนพระพุทธเจ้าเปรียบด้วยทะเลเนี่ยเหมือนอะไรทะเลเนี่ยในแง่ไหนทะเลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ล้ำลึกใช่ไหมหรือกว้างขวางยิ่งใหญ่เนี่ย ก็มีคำเนี่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระมหาการุณาดุดห่วงมหันโนบก็คือพระองค์เนี่ยกรุณากว้างขวางปดุดทะเลมีกรุณามากมายขนาดนั้นหรือทะเลเนี่ยมีความลึกซึ้งพระพุทธเจ้าในองค์พระองค์ก็มีความลึกซึ้งเหมือนกันมีความทะเลเนี่ยเป็นบ่อกเกิดแห่งรัตนะทั้งมวลเนี่ยในพระพุทธเจ้าก็มีพระรัตนะอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะ